พลังศรัทธารักษาโรคภัยอุบายวิธีการที่เราจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานต้องมีจุดยืนคือเราต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่นียเราจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานเราต้องมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพียงเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคง อธิษฐานจิตของตนเองให้แน่วแน่ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ไปปราศจากกายวาจาและจิตของข้าพเจ้าโดยเด็ดขาดและปลูกความเชื่อมั่นลงในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงสามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเองและคนอื่นให้หายได้ ความจริงการใช้พลังจิตรักษาโรคภัยไค่เจ็บในเมืองไทยเรานี้มีมาแต่เก่าแก่โบราณสมัยที่โรงพยาบาลยังไม่เคยมีในประเทศไทยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอชาวบ้านทั้งหลายเขาก็อาศัยอมยาพ่นฝนยาทาตามประสาจนใช้เวทมนต์คาถาเสกเป่ากระดูกแตกกระดูกหักใช้มนเสกน้ำมนต์หรือน้ำหรือน้ำมันแล้วก็เอามาทาเป่ากระดูกก็สามารถต่อกันได้ อันนี้คือตัวอย่างที่คนโบราณรักษาโรคด้วยพลังจิตแม้ว่าในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์บางท่านเวลาท่านเจ็บป่วยท่านไม่ได้คำนึงถึงมดหมอหรือคิดจะไปโรงพยาบาลพอรู้สึกว่าไม่สบายท่านก็เข้าสมาธินั่งสมาธิภาวนาของท่านทำจิตให้สงบรู้ตื่นเบิกบานบางทีสภาพจิตของท่านมีความรู้สึก สว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายเมื่อร่างกายตัวตนหายโรคภยัยใค้เจ็บมันก็ไม่มีปรากฏเพราะมันไม่มีที่เกิดโรคภยัยแค้เจ็บมันเกิดที่กายแต่ที่ใจมันไม่มีโรคอะไรที่จะไปบังเบียดมันได้นอกจากกิเลสเท่านั้นเองในเมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้ก็สามารถรักษาโรคภัยแข้เจ็บให้หายได้